เพื่อความเป็นอลังการะของจิตสภาพจิตนั้นจะเป็นอลังการะของอะไรอลังการะของสมาธิถ้าไม่ปรุงแต่งจิตให้รายละเอียดตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามลําดับถ้าไม่กระตุ้นเตือนจิตเป็นไปตามลําดับที่สุดจริงๆเนี่ยตัวเจตนาทานจะไม่เชื่อมโยงต่อเจตนาศีลที่สุดจริงๆปลาโมดปีติปัสสิสุขและจะไม่เป็นบริขารของสมาธิ พอไปกลับลรเลึกขึ้นมาเราก็ละลึกได้น้อยมากเพราะทำไมทานของเรามันนิดหน่อยเหลือเกินบางทีเนี่ยให้ทานทั้งเหนื่อยมากทั้งวันนี่นะกลับมาไม่ได้มีความปราบรื้มผ่องใสใดๆที่จะเอามาลึกตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยนะได้เหนื่อยแต่กายแต่นา ม, มาทำมันอ่อนล้าหมดเลยอันนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางด้านของจิตที่เป็นไปกับความฉลาดในการให้ทานไม่มี สรุปก็คือว่าวัตถุทานเนี่ยเป็นที่ตั้งของโลภะใช่ไหมยึดติดทำไมเป้าหมายที่เราต้องสละน่ะเพื่อทำลายอะไรทำลายความโลภใช่ไหมล่ะกับตัววัตถุทานนั้นที่เราต้องถวายแด่สงฆ์เพราะต้องการทำลายความโกรธกับปฏิคาหกคือผู้รับจิตจะได้ผ่องใสได้สะดวก และเป้าหมายก็คือความไม่โลภ ก, กับความไม่โกรธจะได้เป็นปัจจัยเขาแบบเป็นอุปนิสัยปัจจัยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังในการจะเกื้อนหนุนต่อยานปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจว่าเราได้ประกอบกุศลกรรมไว้ในศาสนาของพระพินเจ้าที่ประเสริฐที่เลิศแล้วเป็นบุญญาาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะทานของเราบริสุทธิ์เนาะการไปสแสวงหาวัตถุทานก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เป็นธรรมมียะ ละวั้งถูกก็คือเป็นวัตถุที่ได้มาโดยชอบธรรมเราไปแสวงหามาด้วยสัมมาอาชีวะด้วยความเพียรที่เป็นใบกับุศสและเมื่อไปแสวงหามาแล้วก่อนให้เจตนาก่อนให้ก็บริบูรณ์นะเห็นไหเจตนาก่อนจะให้ก็เป็นเจตนาฐานที่บริบูรณ์เป็นปุพหะเจตนาที่ชัดเราปรุงแต่งจิตประเภทนี้ไว้ตั้งหลายวันตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ย และในขณะเดียวกันเจตนาในขณะให้ก็เป็นไปกับปีติปลาโมดหลังจากให้เป็นอั ป, ปราชเจตนาก็กลับเอามาให้ควรระลึกเกี่ยงต่อเนื่องสะดวกก็คือว่าหนึ่งทรัพย์นั้นได้มาโดยบริสุทธิ์ด้วยสองตัวเราเองก็เป็นผู้มีศีลในการแสวงหาทรัพย์ประการที่สามก็คือบุคคลที่รับคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริบูรณ์ด้คุณ มีศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณมีมุติคุณซึ่งเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลได้มารับทานกุศลของเราข้อบริบูรณหกประการนี้เนี่ยหนึ่งผู้สแสวงหาทรัพย์เป็นผู้มีศีลเข้าใจจารีตศีลเข้าใจวารีเธอศีลอย่างดีเลยและในขณะที่สแสวงหาทรัพย์ก็แสแวงหาด้วยสัมมาอาชีวะเป็นความเพียรที่เป็นไปกับกุศลบริบูรณี่ยังจะตัวที่สแสวงหาทรัพย์บริบูรณ์ไหม พอเป็นการหาทรัพย์ด้วยจิตที่เป็นไวยกโกศลทรัพย์ที่ได้มากลายเป็นธรรมมียะรัตทวัตถุเป็นวัตถุที่ได้มาโดยชอบทำไหมอ้าวถ้าไปแสวงหาทรัพย์ด้วยความเครียด <c oughs> ตบ ก, กังวลนึกเกินก็จะได้ทรัพย์รรทีละทีเนี่ยโอ้โหทั้งเครียดทั้งโกรธทั้งหงุดหงิดได้ทรัพย์มาได้เงินมาได้อาหารมาหมงุดหงิดมาตลอดถามว่าทรัพย์มาได้มาบริสุทธิ์ไหม ซับมันจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ดูที่ไหนดูที่สภาพจิตใจไปสแสวงหาในะถูกต้องไหมไม่ใช่ไปดูซับโอ้บริสุทธิ์ก็คือแม่สะอาดล้างอย่างดีขยายอย่างใน น, นี้นั้ตัวสภาพจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละแล้วก็ไปสแสวงหาทรัพย์ทรัพย์นั้นได้มาด้ยวยความบริสุทธิ์ได้หนึ่งแล้วนะสองตัวซัพย์บริสุทธิ์เพราะผู้สแสวงหามีศีลไหมทา ย, ยกคือผู้ให้เน มีศีลด้วยและปฏิฆาหกคือผู้รักเพราะเราน้องถวายเป ส, สงฆ์ทั้งสังคมณฑล น, น, นี่คุณเป็นตัวแทนมาเป็นบุญยราพของเราแล้วช่ไห้เราน้องถวายสงฆ์เหมือนตัดข้าวหนึ่งทัพพีเนี่ยใช่ไหมมีบางทีเราโอยองค์นี้ก็ไม่ชอบพอเพอะไไม่เอาดีกว่าอามาก็บินระบาดที่กรุงเทพเ่ยพอ เ, เดินบินเขาจะใส่เขาจะมีผพ้าปพระจำเาใช่ไหมเพราะอามาเป็นพ้าไม่มีสายประจำ มาไปเปเสร็จก็ถือบาทบินจะบาทพอเดินเดินไปเนี่ยพ่อเขาเห็นว่าไอ้เราไม่ใช่หน้าตาคุณคุๆยมก็จะหันหลังให้ีชัดเลยนี่ชัดแล้วเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้ดิเขาจะหันหลังเลเพราะไม่ใช่พระที่เขาคุ้นเคยเนี่ยเราเข้าใจอเนี่ยทั้งนี้ยเจตนาก็เจตนาเขาจํากัดบุคคลแล้วจากัดบุคคลนั่นต้องวางใจเป็นตรงนี้ต้องวางใจเป็น ทีนี้ประการต่อมาคือว่าคือวางใจหนึ่งตนเองเป็นผู้มีศีลสองทรัพย์ที่หามาได้บริสุทธิ์สามผู้รับบริสุทธิ์อีกนอกนั้นเป็นเรื่องของเราเจตนาก่อนให้ทำยากไหมก่อนให้จะคิดยังไงอ่ะจะคิดก่อนให้จะคิดยังไงที่จะปรุงแต่งจิต เอามาเขยกตัวอย่างตัวเองดีกว่านะเรามาไปวินนบ่ามาก็คิดทุกอย่างก้าวมาก็ะตึกใข้ควรทุกอย่างก้าวเนี่ยเอามาต้องเอาไว้ว่าที่ก้าวไปใช่ไหมชีวิตที่ต้องก้าวเดินไปเนี่ยฉะนั้นอาหารที่ได้เนี่ยเราจะนํามาถวายได่โสด เราจะฉันทีหลังถ้าสงฉันหมดแล้วเราจะไม่ฉันตรึกพิจารณาไปว่าโอ้อาหารนี่มันเนื่องด้วยอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินวันนี้อ่ะเราตายนะเนี่ยชีวิตเนี่ยอวัยวะเราต้องเสื่อมโทรมไปนะเนี่ยอันนี้อาหารจากวัตถุภายนอกเนื่องเนื่องด้วยวัตถุภายในไหมเนื่องด้วยอวัยวะยอมเวลาขับรถไปทํางานเนี่ย ยอมคิดแบบนี้ไหมหรือเดินไปทำงานยอมคิดไหมว่าทรัพย์ที่เราจะไปหามาเนี่ยเราจะเอามาให้เราจะให้กับพ่อเราจะให้กับแม่เราจะให้กับบุตรภรรยาสามีเราจะให้กับเพื่อนเราจะให้กับญาติมิตรและเราจะฝังไว้ในาศาสนาของพระิทั์เจ้าให้ไว้กับทักทีในบุคคลนั้นสูงสุดเราคิดอย่างนี้ไหมล่ะเพราะจริงๆชีวิตมันคือการให้นะ ถ้าคิดอย่างนี้ปุพาเจตนาจะแข็งแรงไหมล่ะแปลว่าต้องปรุงแต่งจิตไปก่อนนะเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องกับศีลไหมไอ้ที่เราบอกว่าเราจะมาให้กับแม่แปลว่าเราจะมาทําจารีศีลใช่ไหมเนี่ยเราจะมาให้กับบุตรภรรยาสามีญาติทั้งหลายใช่จารีศีลไหมใช่เจตนาศีลไหมแล้วทําไมไม่ปลื้มใจตั้งแต่ขับรถสตาร์ทออกไปทํางานทั้งแรกอะ่ะ <c oughs> มันน่าจะปลื้มใจนแะนะ่ถ้าปลื้มใจเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลด้วยไหม เป็นทานกุศลท่าปล่าลบทานเป็นศีลกุศลท่าเปล่าลศาีลเป็นภาวนาวกุศลไหมถ้าปล่าลบภาวนาเอาเป็นยังไงเอามาระลึกไงให้เป็นอนุสติไงเอามาระลึกให้เป็นอนุสติไงให้จิตตั้งมั่นสองชั่วโมงสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยได้ไหมโอ้โหบางคนนั่งระลึกเนี่ยสมาธิก็ตั้งมั่นแล้วภาในชีวิตเราเนี่ย เราสละเราให้มาตลอดในชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ทานกันมาขนาดนี้ถ้าเราปรุงแต่งจิตเป็นปัี้เลิศไปแล้วเสียดายจริงจะไม่เป็นไรหรอกเอามาคิดใหม่เอาอัปปะเจตนาใหม่ใช่ไหมยังพอคิดได้อยู่ไหมได้อัปปะเจตนายังได้อยู่นะรายละเอียดมันเยอะเรื่องทานเนี่ยเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยคือคารวะา พระเจ้าปรแสดรเนี่ยปุพพจริยาที่สอดคล้องกับอัติยะาสายของพระนางวิสาขาสแสดงสแสดงไว้บรรลุพร้อมกับบริวารอีกห้าร้อยเลยเป็นพระโสดาบาันหมดเลยเจ็ดครัวได้บรรลุเลยครับนางวิสาขาไปนั่งกับประธานที่ไหนไหมไปนั่งไหมแล้วต่อมานางวิสาขาก็ทําจิตด้วยความเป็นมหาอุบาสิกานะเธอ อยู่กับสามีอยู่กับบริวารทั้งหลายก็ปฏิบัติให้สังเกต ด, ดูนะว่าทานกุศลของนางวิสาขาเนี่ยมากจริงๆนะตอนที่เขาจะแบ่งทรัพย์ฝ่ายฝ่ายพ่อเขาจะแบ่งวัวให้ห้าร้อยแบ่งอะไรต่างๆท่าทาทาบริวารอย่างก็ห้าร้อยห้า้อยสังเกต ด, ดูทีพอแบ่งห้าร้อยเสร็จไอวัวในคอกอื่นที่เป็นหัวหน้าที่เป็นจ่าูงเนี่ยวัวจ่าูงมันโดด บุกมาพี่คอกที่จะไปอยู่กับนางวิสาขาพะวัวจากฝูงกระโดดมาแล้ววัวลูกฝูงกระโดดตามไหมก็กระโดดตามบริวารทั้งหลายก็เป็นแบบนี้หมดเลยทําไมนางจึงได้เยอะๆขนาดนั้นรู้ไหมเพราะนี่ไงเพราะปรุงแต่งจิตในขณะที่นางเดินทางกุศลเวลานางไปอังคาบไปถวายพระนี่นะนางไปดูแลพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนางก็เอาอาหารลดเลือดไปถวายพระ ในขณะเดียวกันเนี่ยพระจะรับหรือไม่รับเธอไม่ได้สนใจมากมายตรงนั้นนะเธอใส่ใจทําจารีศีลทําทานกุศลของเธอไปถามว่าพระคุณเจ้าอาหารนี้ลดเลิกขอให้พระคุณเจ้ารับอาหารนี้เธอพระท่านก็รับแต่พระท่านจะฉันหรือไม่ฉันใช่ไหมแปลว่าทานกุศลของเธอสำเร็จแล้วเจตนาว่าเธอปรุงแต่งจิตได้ดีศีลกุศลเธอก็เรียบร้อยแล้วถ้าเธอปารถนาการให้ทา น, นเนี่ยนะ ถ้าปารลในการสละวัตถุเป็นทานกุศลหรือเป็นอะไรเป็นทานกุศลไหมเอากายกรรมที่เรากําลังเดินไปแล้วคิดว่าเป็นบุญยราพของเราแล้วโนาเราเป็นอุบาสิกาในศาสนาของพระชินเจ้าเราได้ถวายทานแด่หมู่สงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าทั่วสังขุม น, นิมนมีพระที่เป็นองค์แทนนั่งอยู่เฉพาะหน้าตรึกไปแล้วก็เดินไปอย่างนี้ตอนนั้นกายกรรมเป็นอะไร กายกรรมตอนนั้นเป็นทานกุศลและในขณะเดียวกันถ้าเรากล่าวเชิญชวนท่านทั้งหลายไปเจริญทานกุศลกันเป็นบุญยราบของเราแล้วที่เราได้ดูแลสงสาวงของพระผู้ธมีภาคเจ้าเราได้ถวายเจตนาของเราท่านทั้งหลายได้ตั้งมั่นไว้ในศาสนาของพระินเจ้าแล้วเราได้ฝังเมล็ดกุศลเจตนาไวในศาสนาของพระชินเจ้าที่เลิศที่ประเสริฐ การพูดบุงแต่งจิตไปอย่างนี้วัจีกรรมที่กล่าวไปอย่างนั้นวัจีกรรมเป็นอะไรเป็นทานกุศลและไม่ทํากายวิจัยเคลื่อนไหวจิตใจก็ละลึกปลื้มใจปลื้มใจก็ระลึกตัวเจตนาทานละลึกถึงวัตถุทานและลึกถึงหมู่สงสาวกตรง เป็นต้นของพระผู้มีภาคเจ้าว่าตนเองไม่เคยบกพ้องในฐานะเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกที่เข้าอยู่นั่งใกล้ชิดพระตนตไตรเลยแล้วก็เห็นเจตนาที่เป็นไปกับปลาโมดปิติละลึกได้อย่างต่อนเนื่องไม่ทำกายวาจายให้เคลื่อนไหวตอนนั้นมโนกรรมเป็นเป็นทานกุศละนะเพราะเราเราลึกเราให้ไงนะฮมโนกรรมตอนนั้นเราได้ให้เราได้สลเราได้ให้เราได้สหละ วัตถุทานที่นนี้แด่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายแด่สงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบระมุขตอนนั้นมโนกรรมเป็นทานกุศลไหมกายกรรมเป็นทานกุศลวจีกรรมเป็นทานกุศลมโนกรรมเป็นทานกุศลเห็นไหมทานกุศลทาได้สามทางไหมบางคนเน่ะกลายเป็นทานกายเน่ยเป็นได้หมดแล้วแต่ใจไม่เป็นทานก็ไม่เรียกว่าทาน เพราะใจไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งจิตที่จะน้อมจะสละักเอาอยากไ้ยเรื่องทานยากาั้มทีนี้ในขณะที่เดินไปถือของชิ้นนี้แหละเดินเดินไปตาลบว่าวงของพระพุทธเจ้อาอริยะวงน่้มีอนาถปาิธิกาเศรษฐีนาเรงวิสาขามหาบัสิกาอุบาลีขึ้นรังบุี ท่านวิสาขาเป็นต้นเหล่นี้หรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เขาก็ประพืดปฏิบัติตามจารีตตามประเพณีในการเข้าไปวัดในการดูแลอุปถาคพระโดยการนําของต่างๆเหล่านี้ไปดูแลไปบูชาเป็นต้นการปารลบอย่างนี้แล้วก็เดินไปตอนนั้นกายการรมเป็นเป็นศีลหรื อ, อยังเป็นศีลแล้วดูไหยพัฒนาจากทานขึ้นสู่ศีลหรื อ, อยังสู่ศีลแล้ว ตอนนี้จิตถูกปงแต่งนี้ยังเนี่ยวงแต่งเป็นศีลแล้วบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปประพฤติปฏิบัติตามวงตามประเพณีตามตระกูลตามอริยประเพณีที่อริยาสาวกก็ดีหรือว่าพุทธบริษัทก็ดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาในการดูแลในการอุปถากในการเอาของไปถวายสการะทั้งหลายเหล่านี้ ตอนนั้นพูดในลักษณะนี้วจีกรรมก็เป็นศีลเห็นไ้มทําตามวงทําตามจารีไม่ทําให้วงขาดไปไม่ทําให้จารีเสียหายไปไม่ทํากายวาจาัยเคลื่อนไหวแต่จิตใจก็คิดชื่นใจมากที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจารีตามวงของพุทธบริษัทได้อย่างไม่บกพ้องเลยในการที่ไปวัดตลอดดูแลสงฆ์เป็นต้น ตลอดถึงแม้อยู่ในวัดจารีตของเราก็ทำํำ อ, ออยู่ในบ้านจารีตของเราก็ประพฤติปฏิบัติต่อบุตรต่อภรรยาต่อสามีต่อพ่อแม่เป็นต้นได้อย่างถูกต้องไอ้การคิดอย่างนี้แต่กายกรรมวจีกรรมไม่เคลื่อนไหวตอนนั้นมนโนกรรมเป็นเป็นศีลกุศลอันนี้แปลว่ากําลังจะเดินให้สู่จารีตศีลได้ไหมเห็นไหมอย่าเป็นแล้วยากไหมคิดแบบเนี่ย ไม่นา่าเห็นไหมว่าเรานึกว่าทานกุศลศีลกุศลเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราใช่ไหมแตกใจไหมว่าทําไมเราไปเดินกรรมฐ า, านอื่นๆแล้วก็ตกแมพลงมาตกแมพลงมาเริ่มแปลกใจย่างเขาเรียกว่าพื้นฐานดีไม่ดีบ้านหลังนี้ถ้าหากฐานไม่ดีสุดไม่สุดตอนนี้สมาธิสุดไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยปัญญาไม่ต้องพูดถึงเ <c oughs> ที่ยที่ซุดขนาดนี้เพราะพื้นฐานด้านทานกุศลด้านกายกรรม สุดทานกุศลด้านวิจีกรรมก็สุดทานกุศลด้านมโนกรรมก็สุดทานกุศีลกุศลด้านกายกรรมสุดศีลกุศลด้านวิจีกรรมด้านมโนกรรมก็สุดแล้วจะขึานา้นสู่ภาวนากุศลนี่ว่าไงขยายยังไงเนี่ยปลูกบ้านต้องมีเสาเข็มไหมต้องมีนี่ยหรือว่าคิดว่าบ้านเราปลูกบนเนินเนินก็คือเสาเข็มนั่นแหละที่มันแข็งแรงดีแล้วค ใช่ไหมล่ะยากเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่ายากเพราะในอดีตเราไปคิดว่ายากเราเลยไม่ยอม เ, เดินเดินกุศลให้ครบวงจรไงให้คิดว่าอ้าวแล้วยากทําไมมีคนบรรลุ ก, กันตั้งเยอะทําไมในสาวถีจึงต้องบรรลุกันตั้งห้าสิบล้านกับห้าแสนถ้ายาก ประชากรเจ็ดสิบล้านเนี่ยทำไมบรรลุกันขนาดนั้นฉะนั้นที่ยากเพราะเราคิดว่ายากนี่แหละวจึงเป็นเหตุทำให้เราเป็นสาธิตกค้างในสังสารวัตต่อไปจะไม่คิดว่ายากอีกแล้วเข้าใจไหมต้องคิดว่าทำได้ไหมอ ย, าหาย อ, อย่าหายใจอออย่างี้หายใจยาวเลยอย่งเงี้ยยุ่งเลยทีเนี้ย ยากไหมย่อมยากไหมทําได้แล้วหรือที่ว่าไม่ยากไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อเออเนี่ยใน <c oughs> ความตั้งใจนี่แหละจะเป็นปจัจจัยต่อการที่จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้จริงๆ <c oughs> ใครเห็นดีด้วยไหมเห็นดีด้วยเนี่ยแต่เห็นดีด้วยห้ามสับประงกเห็นดีอันนี้นั่นก็เห็นดีเหมือนกัน ตรงนี้ก็คือต้องต้องขัดเกลาชีวิตคืออย่างนี้เวลาเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่เนะให้รือ้อย่าลืมว่าสถานะของเราเป็นอุนปวสกุนบาสิกาแล้วก็ดูรูปแบบว่าอาริยะทั้งหลายหรือว่าพุทธบริษัทในสมัยพุทธเจ้าท่านทำกันอย่างไ ร, รเผอิญภาพตรงนั้นนะ่ะมันเลือนลางมีใจของพุทธบริษัทในยุคนี้เราคิดว่ามันมีวิธีการ เดินทางลักใช่ไหมเราคิดว่าเออคืออย่างนี้นะถ้าใครมั่นใจที่ถามก่อนในวันนี้นะจะได้แยกแยะกรรมาฐานถูกถ้าใครมั่นใจว่าตนเองจะบรรลุในชาตินี้แน่นอนก้มนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปไข้ควรเรื่องทานกุศลมาก เพราะมั่นใจว่าจะต้องเอาให้บรรลุชาตินี้ได้อยู่แล้วเอายกมือหน่อยที่รย่อยสอนกรรมฐานที่แข็งแรงทันทีเอาชาตินี้อะโอ้ถ้าใครไม่มั่นใจว่าชาตินี้อะตนเองไม่ได้บรรลุนะแต่จะทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้ตนเองไม่ตกในไบภูมิแต่จะต้องทำ ปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยในการบรรลุในภพชาติต่อไปกลุ่มนี้ต้องเดินทางกุศลด้วยศีลกุศลด้วยภาวนากุศลด้วยเนะฮะก็ต้องตั้งหลักตัวเองให้ชัดแต่ถ้ามั่นใจนะว่าตนเองจะต้องขับเน้นจริงๆอ่ะเรื่องทานกุศลก็เผาลงได้ใช่ไหมเพราะตนเองจะต้องขับเน้นตัวศีลที่แข็งแกร่งและสมาธิและปัญญาที่มั่นคงแล้วก็ต้อง ต้องสอบสวนก่อนนะว่าข้อมูลเพียงพอต่อการที่จะบรรูุชาตินี้ได้ไหมใช่ไ่มสอบสวนก่อนไม่ไม่ใช่แต่อยากบรรลุอย่างเดียวแต่พอไปถามแล้วอะไรยังไม่รู้เรื่องสักนิดเลยเลยจะบรรลุเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีสรุปแล้วอยากบรรู้เยอะเหมือนกันในหนัีโอ้หน้าเช่นใจก็ ก็อันนั้นก็ต้องเอาไว้ไว้สนทนาอีกทีว่าเออที่จะบรรลุเนี่ยบรรลุยังไงเดี๋ยวเราทำวันนี้ดคือคือถ้าคนจะบรรลุเนี่ยต้องวงเล็บห้ามมีข้อแม้จะไมยห้ามมีข้อแม้เพราะขนาดจะบรรลุเนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องในการทำลายภพชาติทาลายกิเลสนะห้ามมีข้อแม้ใดๆต้องเพียรพยายามถึงที่สุด แม้ลมหายใจใกล้จะขาดถ้ามันไม่บรรลุแล้วจึงค่อยถอนความตั้งใจว่าเออชาตินี้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ลมหายใจขาดถ้าไปชาติหน้าจะบรรลุได้เร็วกลุ่มนี้นะมีงืหลักการที่พระเจ้าวางไว้หมดในมีพระเจ้าวางหลักไว้ปุ๊บปุ๊บุ๊ไว้ทั้งหมดแต่เพียงว่าเมื่อรู้หลักการแล้วเดินตามนั้นจริงจริงถ้าไม่ได้บรรลุก็จวนเย็ยนแต่ถ้าจวนเย็ยนก็จวนเจียนแบบประเภทที่ชาติต่อไปก็กลายเป็นผู้ที่บรรลุได้เร็วพันเป็นต้น อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเออเราจะอยู่กลุ่มไหนถ้าเขาบอกเขาถ้าบอกว่าถ้าบอกเธอหลีกเล้นได้ไหมโอ้ช่วนี้ไม่ได้เรกเจ้าค่าอันนี้มีข้อแม้ไหมแต่อย่างนี้กลุ่มมีข้อแม้ถ้ากลุ่มมีข้อแม้อย่างนี้ก็ก็ถอยไปเดินทานกุศลไว้ด้วยเผื่อขาดเผื่อเลยเนี่ยในโอกาสเพราะถ้าลอกไปในชาติหน้านะท่านนี้จะทานไม่แข็งแรงนะ เราหากินทั้งชาติกว่าจะได้ปฏิบัติเนี่ยแกเท่ายอมสำรวยในี่ยุ่งแล้วยุ่งเลยไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ก็ความจำจะไปไม่เป็นแล้วเหลือแต่อดีตนั่งเล่านั่งเล่าไปใช่ไหมละ่ะรับใหม่จะไม่ไหวแล้วจดซ้ายลืมขวาจดขวาลืมซ้ายเนี่ยก็จะทำยังไงสมมุติเน่ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเหตุแห่งการบรรลุนะ หนึ่งเกิดมาพร้อมด้วยปฏิสนธิด้วยปัญญาตั้งแต่เกิดมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีปัญญาตั้งแต่ขณะปฏิสนธิคือการเกิดนี่เป็นเหตุแรกนะเอาเหตุต่อมาคือเป็นผู้อยู่ในวัยที่ปัญญาทศกัวัยคือวัยปัญญา วัยปัญญาไอ้วัยปัญญาวัยไหนขอภัยใครเกินใครเกินสี่สิบเจ็ดแล้วโอ้ยนี่นี่ตรงนี้ปัญหาตรงนี้นิดนึงนะ <c oughs> ที่อมานับสี่สิบเจ็ดแต่พนับตามเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขถ้าร้อยปีเป็นอายุไขเนี่ยเขานับห้าสิบสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยเขาจปัญญาทศกะไวัยวัยปัญญาถ้าเลยห้าสิบไปแล้ว เขาเรียกหานะาทักะวัยเริ่มเสื่อมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะบรรลุได้ช้าลงแล้วนี่เราเราเจอตัวอันแรกคือไม่ได้มีปัญญามาแตกการเกิดอันที่สองอยู่ในวัยที่เลยปัญญาปัญญาไม่รดแหล่นในกระแสความคิดในยะที่สามอะไรเป็นเหตุใกล้ของปัญญา สมาธิพิกเวภาเวสะทะสมาอิโตยะถาภูดังวชานาติตอนนี้เคยได้อุปจาเคยได้บริกรรมมาสมาธิหรือยังเคยได้อุปจาระสมาธิหรือยังเคยได้อัปปนาสมาธิหรือยังอันนี้สมาธิเหล่านี้จะเป็นฐานของวิปัสสนาปัญญาอันนี้อันนี้เขตหนึ่งและอีกเขตหนึ่งก็คือเป็นผู้มีโยนิโสมนสัสการค่อนข้างดี สรุปก็คือมีเนี่ยหนึ่งคบกัลยาณมิตรที่สามารถแสดงอักของอริยสัตว์ได้ชัดเจนสองฟังน้อมฟังธรรมะที่กัลยาณมิตรมีวิริยาเวี้ต้นเนี่ยอย่างตั้งใจสามก็คือตัวโยนิโสมนสิกันคือความเป็นผู้ ใส่ใจด้วยปัญญาพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาคือพิจารณาใส่ใจปุ๊บก็เป็นฐานของปัญญาเกิดได้สะดวกเลยคล่องแคล่วมากก้มเหล่านี้มีหวังก็อันนี้เป็นหวังหวังในการที่จะสามารถที่จะเป็นปัจจัยต่อการเกิดเหมือนที่จะทําให้วิปัสสนาปัญญาเป็นต้นเกิดมีฐานพวกนี้ไหมโยพอมีบ้างนะเจ อ, อพอมีบ้าง ทีนี้ถ้าเราเผื่อขาดเผื่อเลยไว้ก็เดินท า, ก น, า, น, ก า, า น, นกุศลไว้ในชาติต่อไปจะได้ไม่เดือดร้อนในการแสวงหาทรัพย์เดินศีลกุศลไว้ในชาติต่อไปจะได้ไม่ลำบากเรื่องสุขภาพเรื่องความพิกลพิการและเรื่องความแตกแยกและเดินปัญญากุศลก็วไว้คือแยกแยะสภาวธรรมให้ชัดฟังธรรมะที่เดี่ยวการไปแยกแยะไปวิจัยไปพิจารณาขันบั้งธาตุบ้า ง, าางอายตนะบัง้งให้ชัด อันนี้ก็คือสั่งสมเต็มที่เหมือนกันนะอยู่อย่างความไม่ประมาทถ้าในก ร, กรณีอย่างนี้ก็คือว่าเตรียมเตรียมใจว่าคอยวางแผนชีวิตใช่ไหมวางแผนชีวิตถ้าอย่างนี้ยถึงหลุดไปในภพต่อไปด้วยการเพราะเมล็ดพันธุ์ของปัญญาไว้ดีไม่ใช่เมล็ดพันธุ์คือชั้นฐานชั้นศีลเท่านั้นแม้เมล็ดพันธุ์ชั้นปัญญาก็สั่งสมไว้อย่างดีแล้วไม่ใช่ไปเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ผิดพลาด โอกาสเจอคำสอนพระพุทธเจ้าในอัตภาพต่อไปก็เป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดแทงตลอดได้สะดวกแต่อยากคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับว่ายะถาสติยะถาพลังจะทาในใจอยู่จะปฏิบัติตามอยู่ตามสติกําลัง<ม> <c oughs> แท้ที่จริงอ่ะไปแปอย่างนั้นเลยหมดสภาพเลยแปลใหม่ได้ไหม จะทําในใจอยู่จกปฏิบัติตามอยู่เนะี่ยโดยการจะเพิ่มอินทรี่ห้ามีสติเป็นต้นนะให้เต็มกําลังให้เต็มกําลังที่จะทําให้ได้ไม่ใช่ตามกําลังหรอปล่อยไปแล้วได้แค่นี้ก็แค่นี้ไม่ใช่นะต้องกระตุ้นพลังของศรัท ธ, ธาพลังของวิริยะสติและสมาธิปัญญาไอ้คาว่าสติในที่นั้นนะขับเน้นตัวอินรี่ทั้งทุกตัวนะ แล้วคําพูดบางอย่างนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมราชาอาคาโตอย่างคําว่าพระราชาสเสด็จเนี่อยอิ่มสํารวยพระราชาสเสด็จแล้วมีแต่พระราชา อ, องค์เดียวหรือเปล่ามีแต่พระราชา อ, องค์องค์เดียวหรือเปล่าที่ท่านสเสด็จมามีคนอื่นมีคนอื่นตามไม่มีคนอื่นตามสเส ด, ด็จดใช่ไหมมีบริวารไหมมีกองทหารตามมาด้วยไหม เนี่ยคำพูดว่าจงเจริญสติคำคำนี้ไม่ใช่เจริญสติองค์เดียวแต่หมายถึงศรัทธาด้วยหมายถึงวิริยะด้วยหมายถึงสติด้วยหมายถึงสมาธิด้วยหมายถึงปัญญาด้วยอย่างนี้ก็เรียกราชาอัะโตเป็นจำนวนที่กล่าวถึงบุคคลเดียวแต่หมายถึงทั้งหมดเหมือนว่าให้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวที่ยอมสมรวรชอพูดเนี่ย ไม่ใช่ไปมีสติตัวเดียวนะเนี่ยถ้าไปรู้แค่สติตัวเดียวเนี่ยโอกาสพับเสือกลับบ้านสูงมากนะเนี่ยธรรมะที่ควรจเจริญใช้สติอย่างเดียวไหมศรัทธาควรจเจริญไหมวิริยะควรจเจริญไหมสติควรจเจริญไหมสมาธิควรจเจริญไหมปัญญาก็ควรจเจริญเพราะเป็นพาวเวตาประธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญธรรมที่ไม่ควรจเจริญคือราคะควรจเจริญไหม โลภะนะควรเจริญไหมโสดาควรเจริญไหมโมหะมานะทิฏฐิทําเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรละเขาเรียกว่าตถาจาร ะ, าระทา์ทำธรรมที่ควรละเข้าใจไหมเทีนี้เวลาเราจะให้ทานเนี่ยขับเน้นที่เราให้ตัวทานเจริญหรือให้ตัวเจตนาที่คิดจะให้เจริญ ในนั้นมีศรัทธาในนั้นมีสติในนั้นมีวิริยะมีสมาธิและปัญญานอะฉะนั้นให้ทานจริงแต่เป้าหมายคือให้คุณธรรมภายในมันเจริญภัยบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เอาตัววัตถุทานนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นอุปกรณ์นําส่งทําให้คุณธรรมในใจนั้นเนี่ยเจริญภัยบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าวัตถุ เพิ่มเรื่อยศรัทธาในใจตกต่ำลงเรื่อยเลยยองทำรวยเขาใจยังฮะเจริญวัตถุหรือเจริญนามธรรมเวลาให้ทานเนี่ยนามธรรมนามธรรมนามธรรมกลุ่มไหนกลุ่มบุญหรือกลุ่มบาปเอากลุ่มบุญยังไมล่ะ เค็แล้วป่ะเอายกตัวอย่างไปแจกทานเราซอกชอบตั้งลงทานมากพอตั้งตั้งตั้งตั้งเบ็เสร็จไอ้ด้วยการที่ไม่ได้ฟังในกูถาคันดสูตรไม่ฟังพระสูที่พระเจ้าบอกเออถ้าเธอจะไปตั้งลงทานเธอควรวางใจยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมม่มีรูปแบบเนีลยใจคิดอยากจะให้กั็ไปเลยเออตั้งลงทานพอไปตั้งเบ็ดเสร็จไอ้คนมารับทานมีหลายประเภทเน่ะ ไอ้พวกวนหลายรอบก็มีพอเห็นว่าเครียดเลยเดี๋ยนี้ยก็เป็นไงตอนนั้นน่ะทานกุศลเดินดีไหมเขียนี้ก็ตกมาแล้วเขีนนี้อย่างว่าเนี่ยเราเราไม่ได้มีเราไม่มีพุทธโอวาทกํากับอยู่ไงเวลาไปให้ทานกันเนี่ยแล้วก็เลยไอ้คนนี้สองรอบแล้วนียจําได้ไอ้คนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีมาขออย่างเดียวยังวาจาหยาบคายเ้าอีก ไอคนนี้นะ่ากรุณาสงสารทแท้ๆน้ำหูน้ำตาไหลอีกร้องไห้โทรมนัดกินอีกเสรุแล้วแล้วอะไรคือทานกุศลกลับมาบอกโอ้ยชื่นใจฉันเอาบุญมาฝากนะจ๊ะ้วเป็นไงแต่เนี้ยว่าไงแล้วบุญอยู่ตรงไหนบุญก็คือได้ให้ได้สละว่าถูกไง <c oughs> เอานี้นะถามคำถ้าทานกุศลแข็งแรงจริง และถูกต้องจริงเคยได้สมาธิระดับอุปจารสมาธิจากการให้ทานหรื อ, อยังพพฮะเออเดี๋ยวจะบอกอีกทีอเอาใครเคยได้หรื อ, อยังพอระลึกถึงทานกุศลแล้วเข้าอยู่ในสมาธิได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเคยได้ยัง แค่ระลึกถึงเจตนาทานแล้วเไยปลาโมดเกิดปีติเกิดสุขสมอนัสเกิดสมาธิก็ตั้งมั่นจากการระลึกถึงทานกุศลนั้นแล้วบิ่งในสมาธิเลยเคยได้อย่างถ้าอย่างนี้แสดงว่าทานกุศลยังไม่บรรลุเป้าหมายท้านั่งจะไม่ได้คิดถึงทาน ให้ทานแล้วไม่คิดถึงทานแล้วไปคิดถึงอะไรเรื่อนี้ก็ เ, เรื่องแปลกเนาะออแปลกอ่านถามอย่างนี้เราเได้ทานเยอะเพิ่มแล้วเราเรื่องนี้จะได้สรุปเป็นเป็นใ น, นช่วงขั้นี้3นะคะก็คือว่าช่วย อ, อธิบายชีแ้แจงว่าถ้าจะรีดคือการปฏิบัติข้อวัตรในบ้านเป็นต้นไม่ดีหรือปฏิบัติกับพ่อแม่ไม่ดี ครูอาจารย์วิ่ดีเนี่ยในมือเป็นอย่างไรตงแต่การปฏิบัติวารีภาษีคือรักษาสิบห้าหรือสิบแปดสิบเก้าสิบสิบของบาแล้วจะเดิดกุศลตนนี้หรือจะแก้ไขอย่างไรถ้าในอดีตเราเคยเป็นมาเช่นนี้กลุ่มสุดท้ายคือถ้าเราไม่ยอมเป็นผ้าในกาะเจิญสีน้ำแต่นี้ไปอย่าแล้วถ้าไปอยู่ในสภัยเนี่ย มันน่ากลัวแคว่ไหนสำหรับชีวิตที่เกิดในตอนนี้ได้พบาะเขาเป็ัศสตจรย์